คำสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของมิตรดีนี้บางแห่งมุ่งเน้นประโยชน์ในระดับทิตธรรมมิกระหรือทิตธรรมมิกระเชื่อมกับสัมปรายิกาะเช่นเรื่องมิแท้มิตรเทียมในสิงคาะกะรกัศยูรที่ขณิกายปาติกวักดังความว่าดูกระฆ่าบดีบุตรคนสี่พวกเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นอมมิตรเป็นมิตรเทียมคือคนปอกลอก คนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชวนฉิบหายหนึ่งพึงทราบอัมมิตรผู้เป็นมิตรเทียมจนิดปอกลอกโดยฐานะสี่คือเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียน้อยหวังจะเอาให้มากตัวมีภัยจึงมาช่วยทำกิจของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว 2. พึงทราบอัมิตร ผู้เป็นมิตรเทียมชนิดดีแต่พูดโดยฐานะสี่คือดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศัยดีแต่อ้างของอย่างไม่มีมาปราศัยสงเคราะห์ได้สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อเพื่อนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้อง 3. พึงทราบอามิตผู้เป็นมิตรเทียมชนิดหัวประจบโดยฐานะสี่คือ เพื่อนจะทำชั่วก็เอออเพื่อนจะทำดีก็เออออต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทา 4. พึงทราบอ ม, มิตรผู้เป็นมิตรเทียมชนิดชวนฉิบหายโดยฐานะสี่คือคอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมาคอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนคอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการละเล่นคอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนันดูกระร้าวดีบุตร คนสพวกเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจงามคือมิตรอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะนําประโยชน์มิตรมีใจรักหนึ่งพึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดอุปการะโดยฐานะสี่คือเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน เพื่อนมีภัยเป็นที่พึ่งพมนักได้เมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกซั์ให้เกินกว่าที่ออกปาก 2. พึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยฐานะสี่คือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนมีภัยอันตรายไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็สละได้ เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนสามพึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดแนะนำประโยชน์โดยฐานะสีคือห้ามปรามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้สีพ่พึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดมีใจรัก โดยฐานะสี่คือเพื่อนมีทุกข์พลอยไม่สบายใจเพื่อนมีสุขพลอยแช่มชื่นยินดีเขาติเตียนเพื่อนช่วยยับยั้งแก้ให้เขาสันเสริญเพื่อนช่วยพูดเสริมสนับสนุนอีกแห่งหนึ่งใน ส, สักขูโสที่หนึ่งอังคุตรนิกายสัตรกรนิบาทตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มิประกอบด้วยองค์เจประการควรครบเจ็ดประการเป็นฉไฉนกล่าวคือให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากทนสิ่งที่ทนได้ยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนเมื่อมีภัยพิบัติไม่ทอดทิ้งเมื่อเพื่อนสิ้นไร้ไม่ดูหมินหลักที่นับว่าเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปสาหรับมิ ก็คือคำสอนในเรื่องทิศหในสิงคาระกะสูตรที่ว่าดูกระกาบดีบุตรมิตรและเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเหมือนทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรพึงบำรุงโดยฐานะ5คือ 1. ทานให้ปัน 2. ปิยวาจาพูดอย่างรักกัน 3. อัตจริยาทำประโยชน์แก่เขา 4. ่ สมานตตาเอาตัวเข้าสมานห้อาอวิสังวาทนาตาพูดขานไม่คลาดความจริงเพิ่งสังเกตว่าข้อปฏิบัติ4ข้อแรกก็คือหลักที่เรียกว่าสังฆวัตุ4ประการนั่นเองสังฆวัตุนั้นเป็นหลักการส่งเคราะห์หรือหลักการยึดเหนี่ยวน้ำใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับแสดงน้ำใจต่อกันระหว่างคนทั่วไปเมื่อหลักทั้งสองนี้ตรงกันจึงเหมือนกับพูดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนทั้งหลายเป็นมิตรต่อกันหรือปฏิบัติต่อกันอย่างมิตรนอกจากนี้พึงสังเกตด้วยว่าบรรดาข้อปฏิบัติเหล่านี้การเอาตัวเข้าสมานคือทำตัวให้เข้ากับเขาได้ไม่ถือตัวร่วมสุขร่วมทุกข์กัน นับว่าเป็นกุณธรรมสำคัญเป็นการเข้าถึงตัวอย่างแท้จริงซึ่งมีผลทางจิตใจและชักจูงความรู้สึกนึกคิดได้มากดังจะเห็นว่าท่านจาัดมิตรร่นมสุขร่วมทุกข์ไว้เป็นมิตรแท้ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ